กันที่6นิสกียะปาจิตตีสับว่าปาจิตตินั้นท่านแปลว่าการละเมิดอันยังกุศลคือความดีให้ตกได้แก่อาบัติบางทีจะแปลว่าวีติกมะอันควรยำเกรงจะได้กระมังเป็นได้ทั้งชื่ออาบัตทั้งชื่อสิกขาบทสาบว่านิสกีนั้นแปลว่าทําให้สละสิ่งของ คือสิ่งใดเป็นเหตุจึงต้องอาบัตทําให้สลัสิ่งนั้นแปลอย่างนี้เป็นคุณบทแห่งปะจิตตีถ้าเป็นคุณบทแห่งสิ่งของแปลว่าจำจัดสลักสองศัพท์นั้นควบกันแปลว่าวีติกมะชื่อว่าปะจิตตีอันทําให้สละสิ่งของเป็นชื่อแห่งสิขาบทแปลว่าปรับโทษชื่อนั้น สีขาบทกันนี้มี30จัดเข้าเป็นสาควร ก, วกละ10มาตรนี้ใช้ทั้งในพระวินัยทั้งในพระสูตร10สูตรจัดเข้าเป็นวรเหมือนกันจีวรวรที่1สีขาบทที่1ว่าจีวรสำเร็จแล้วกะถินอันภิกษุดอดเสร็จแล้วพึงทรงอัติเรกจีวรได้10วันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไปเป็นนิสกิยปาจิตเีเป็นธรรมเนียมของภิกษุเมื่อถึงเดือนท้ายฤดูฝนเปลี่ยนผ้าไตรจีวอนกันคราวหนึ่งจึงเป็นฤดูที่ทายกถวายผ้าเรียกว่าจีวอนทานสมัยหรือจีวอนการในสมัยนั้นภิกษุผู้จำพรรษาตลอดได้รับประโยชน์เพื่อจะเก็บผ้าไว้ได้ตามต้องการ เพื่อจะได้ทําจีบอลถ้าได้กลางกฐถินประโยชน์นั้นขยายออกไปอีกตลอดเหมมันตรรูปภิกษุผู้ไม่ได้กลางกฐถินทํทำจีวอลเสร็จแล้วหรือไม่ได้ทำเลยจนพ้นสมัยนั้นแล้วภิกษุผู้ได้กลางกฐถินดอกกฐถินเสียเองคือทาการบางอย่างอันเป็นเหตุจะถือเอาประโยชน์แห่งการได้กลางกรถินอีกไม่ได้เช่นไปเสียจากวัดด้วยไม่คิด จะกลับมาหรือสิ้นเขตแห่งอ น, นิสงส์กติแล้วเช่นนี้ภิกษุพึงทรงอัตริรกจีวรได้10วันเป็นอย่างยิ่งจีวร น, นั้นมีกำเนิด6โคมังทำด้วยเปลือกไม้เช่นผ้าลินินหนึ่งกับปาสิกังทำด้วยผ้าฝ้ายคือผ้าสามันหนึ่งโก้เยยังทำด้วยไหมคือแพรหนึ่งกำบลังทำด้วยขนสัตว์ ยกเว้นผมขนมนุษย์เช่นสักลาดหนึง่งนางทำด้วยเปลือกไม้สานะซึ่งแปลกันว่าป่านหนึ่งพังกังทำด้วยสัมภาระเจือกันเช่นผ้าได้แกมไหมหผ้ามีกำเนิดหนี้มีประมาณตั้งแต่ยาว8ดนิ้วกว้างสี่นิ้วขึ้นไปเข้าองค์กำหนดแห่งผ้าต้องวิกับ เป็นอย่างต่ำชื่อว่าจีวอนจีวอนนี้มีพระพุทธนุญาตให้ภิกษุมีได้เป็นอย่างอย่างและบางอย่างมีจำกัดจำนวนเช่นไตรจีวอนจีวอนอย่างนี้เรียกว่าอธิฐานจีวอนอันไม่ใช่ของอธิฐานเช่นนี้และไม่ใช่ของวิกับคือเป็นกลางในระยะหว่างสองเจ้าของเรียกอติเรกจีวอนกิริยาว่าทรงนั้น แต่เดิมดูเหมือนจะหมายเอาครองหรือนุ่งหม่มตั้งแต่มีอนุบัญญัติผ่อนให้10วันแล้วหมายความตลอดถึงมีได้เป็นสิทธิ์กำหนดนับเป็นวันล่วงนั้นเมื่ออรุณคือแสงเงินขึ้นภิกษุยังอติเดกจีวร น, นั้นให้ล่วง10วันถึงอรุณที่11เป็นนิสกิยะปะชิตีอาบัตินี้ต่อเมื่อภิกษุสละสิ่งของ มันเป็นเหตุต้องแล้วจึงแสดงได้สลาแก่สงคือชุมนุมภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปก็ได้สลาแก่คณะคือชุมนุมภิกษุ3รูป2รูปก็ได้สลาแก่บุคคลคือภิกษุรูปเดียวก็ได้สลาแก่บุคคลก็พอสําเร็จประโยชน์แล้วจะไหนจึงกล่าวให้สลาแก่สงแก่คณะก็ได้ยังแลไม่เห็นจําเป็นซึ่งแฝงอยู่อย่างไร ด้วยเหตุนี้ในทุกวันนี้จึงไม่ได้ใช้คำาเสียสลาแก่บุคคลของอยู่ในหัตถบาทคือใกล้ตัวว่าอย่างนี้อีดังเมพันเตจีวรังดาซาห้าติ ก, กันตังนิสกียังอิมาหั่งอายะสมะโตนิสัจฌามิถ้าแก่ภาษากว่าผู้รับกล่าวว่าอาวุโซแทนพันเต พึงรู้อย่างนี้ในสิกขาบทต่อไปแปลว่าจีวอนผืนนี้ของขพเจ้าล่วงสิบวัน จ, จําจะสละระขบเจ้าสลักจีวอนผืนนี้แก่ท่านหลายผืนตั้งแต่สองขึ้นไปรวมสละคราวเดียวกันก็ได้เปลี่ยนคําเป็นพระหัวชนะว่าอิมาณิเมพันเตจีวราน้ดซัซซาห้าติ ก, กันตานี้นิสกิยานี้ อิมานาหัง่งอายสมโตนิสัจมิแปลเหมือนกันเป็นแต่บ่งว่ากว่าผืนหนึ่งเท่านั้นสลากของอยู่นอกขัตบาทคือห่างตัวก็ได้ว่าเอตังแทนอิดังว่าเอตาหั่งแทนอิมาหัง่งว่าเอตานี้แทนอิมานี้ว่าเอตานาหัง่ง แทนอิมานาหั่งเมื่อสละนั้นพึงตั้งใจสละให้ขาดครั้นสละแล้วจึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับเสียสละนั้นหากจะถือเอาเสียทีเดียวเจ้าของเดิมก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้แต่เป็นธรรมเนียมอันดีของเธอเมื่อรับแล้วคืนให้เจ้าของเดิมไม่ทำอย่างนั้นต้องทุกข์กดคาคืนให้ว่าดังนี้ อิมังจีวรังอายสมโตดัมมิแปลว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่านหลายผืนหรืออยู่นอกขัตบาทพึ่งเปลี่ยนโดยในนี้จีวรเป็นนิสกียังไม่ได้สละบริโภคต้องทุกข์กดสละแล้วได้คืนมาบริโภคได้ในสิกขาบทนี้ไม่มีคำบ่งถึงเจตนาท่านจึงกล่าวว่า อาบัตเป็นอจิตกะแม้เผลอปล่อยให้ล่วง1ิบวันไปก็เป็นอาบัตอธิษฐานไว้วิกับไว้หรือของนั้นสูญเสียหายเสียพ้นไปจากความเป็นสิทธิของภิกษุภายใน10บวันไม่เป็นอาบัตเพราะเหตุนั้นในตอนหลังเมื่อมีความจำเป็นจะทรงผ่อนปรนด้วยเรื่องอติเรกจีวร อ, อีกจึงส่งอนุญาตไว้แผนกหนึ่ง ให้วิกัปอติเรกจีวรคือทำเป็นสองเจ้าของซึ่งใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เรื่องวิกัปนี้จะกล่าวในส่วนอื่นอันหนึ่งในที่นี้ขอแสดงมติของข้าพเจ้าไว้เพื่อเป็นทางสำหรับนักวินัยจะได้ดำริสคขาบทนี้ทรงพระปรารพจีวรที่นุ่งห่มได้แต่มีที่มาแห่งอื่นว่าผ้าขาว8นิ้วกว้างสี่นิ้ว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 ข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าไม่ใช่อัติฤกจีวอนแม้มีภาษิตว่าในวินัยตั้งอยู่ข้างหนักไว้ดีกว่าก็ยังเห็นว่าถือเกินกว่าพอดีข้อนี้พึงรู้ได้ในเมื่อวิกัปของเช่นนั้นลองนึกซึกหน่อยคงรู้สึกเขินใจสิขาบทที่สองว่าจีวอนสำเร็จแล้วกระถินอันภิกษุดอดเสร็จแล้ว ถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งเว้นเสียแต่ภิกษุได้รับสมมติเป็นนิสกิยาปาจิตติไตรจีวร น, นั้นคืออันตรวาสศกผ้านุ่งหนึ่งอุตราสงผ้าห่มหนึ่งสังคาติผ้าคลุมหนึ่งเป็นของอันพระสัสดาทรงพระอนุญาตสำหรับภิกษุไตรจีวร น, นี้ในบางสมัยเช่นในฤ ด, ดูร้อน คงเป็นของที่เกินต้องการไปตัวหนึ่งกล่าวคือสังคาติภิกษุทั้งหลายจึงพอใจมีแต่อันตรวาสศ ก, กับอุตราสง์เท่านั้นไปข้างไหนๆแต่กล่าวต้องการใช้ครบไตรจีวรย่อมมีเช่นในฤดูหนาวจำนวนจึงควรกำหนดไว้ข้างสูงพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้มีไว้ครบจำนวนจึงทรงบัญญัติสิขาบทนี้แม้อย่างนั้น ก็ทรงรับรองความสะดวกด้วยจีวรเพียงสองผืนในการบางคราวในที่บางแห่งของภิกษุบางรูปจึงได้ทรงพระอนุญาตให้อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ในบางคราวเช่นจำพรรษาครบไตรมาสแล้วหรือได้กรารกะติถแล้วอยู่ปราศจากไตรจีวรได้ชั่วกำหนดการและทรงพระอนุญาตให้สมมุติตีจีวระอวิปวาศลงใน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 ภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมติต้องมีอยู่กับตัวครบไตรจีบอถ้าถอดทิ้งไว้ที่อื่นพื้นใดพื้นหนึ่งเป็นต้นว่าสังฆาติแม้เพียงล่วงราตรีหนึ่งถึงเวลาอารุณขึ้นเป็นนิสกิยปัจจิตีฟังเพียงเท่านี้ดูเหมือนจะเข้าใจพระพุธธทธทิบายในอันทรงบัญญัติสิขาบทนี้และพอปฏิบัติให้สมได้ ครั้นเมื่อเริ่มปัญหาขึ้นว่าจีวอนอยู่ในเขตเพียงไรชื่อว่าไม่อยู่ปราดคืออยู่กับตัวคราวนี้จะต้องพิจารณาถึงเขตเขตนั้นท่านไม่ได้หมายเอาการของภิกษุดังความเข้าใจกันมาว่าพอจวนเวลาอารณ์ขึ้นต้องคลองผ้าครบไตรจีวอนท่านหมายเอาจังหวัดที่อยู่ของภิกษุอยู่ใน ภายในสีมาซึ่งได้สมมติจิวรอาอวิปะวะไม่เป็นอันอยู่ปราดและวัดในครั้งนั้นน่าจะอยู่ในเขตนี้แทบทั้งนั้นกระมังในคมพีวิพังจึงแก้เขตเป็นของบ้านทั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงจิ่นของภิกษุเลยเขตที่กล่าวไว้ในคมพีวิพังนั้นย่นแสดงดังนี้ของสกุลเดียวก็มีของต่างสกุลก็มีของสกุลเดียว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 หรือกำหนดเอาที่ทางอันใช้ร่วมกันก็ได้ถ้ากำหนดเอาความมีสิทธิ์ต่างออกไปไม่ได้กำหนดเอาหัตบาทแห่งตนป่าหาบ้านมิได้กำหนดเอาเจ็เอพันดอนหรอรอเป็นเขตอันอพันดอนหนึ่งซอกหรือเจดวาส่วนสถะคือหมู่เกวียนหรือหมู่ต่างนั้นของสกุลเดียว ท่านให้กำหนดเขตข้างหน้าข้างหลังด้านละ7อพันดอนด้านข้างทั้งสองด้านละ1นึ่อพันดอนข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจะถือว่าเป็นอุปจาระบ้านเรือนไม่มีเครื่องล้อมควรจะกำหนดเขตด้วยเลขทุบาทคือชั่วกว้างก้อนดินตกตามวิธีกำหนดอุปจาระบ้านอุปจาระเรือนในที่อื่นในที่นี้หาได้กำหนด เช่นนั้นไม่เหตุไฉนสัทธาอันไม่ตั้งอยู่ที่จะได้เขตมากกว่าบ้านเรือนไปอีกส่วนของต่างสกุลท่านให้กำหนดเอาหัตถบาทแห่งหมู่เกวียนน่าจะเห็นว่าของสกุลเดียวควรกำหนดเช่นนี้ของต่างสกุลเอาผ้าไว้ในเกวียนของสกุลใดควรกาหนดเอาหัตถบาทแห่งเกวียนของสกุลนั้นเขตเหล่านี้ กำหนดไว้สำหรับภิกษุเดินทางเข้าอาศัยเขาอยู่หรือกล่าวตามธรรมเนียมเดิมครั้นภิกษุยังอยู่ไม่เป็นที่ก็อาจเป็นได้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจมติของพระกัณฑาราจนาจารย์ในข้อนี้บัดนี้ภิกษุอยู่นวัดในคามาเขตอันไม่ได้สมมติจีวรอวิปปวาสั้งใช้อติเรกจีวรหรือวิกัปปิตะจีวร ฟูมฟล์ล่อแหลมต่ออาบัตนี้มากเข้าจะพึงกำหนดเขตอย่างไรกำหนดอนุโลมโดยในอันท่านกล่าวไว้ดังนี้กุตีมีบริเวณภิกษุครอบครองเป็นเจ้าของผู้เดียวกาหนดเอาเครื่องล้อมเป็นเขตไม่มีบริเวณกาหนดเอากุตีกุตีมีบริเวณเป็นที่อยู่แห่งภิกษุมากรูปกาหนดเอากุตีที่ไหว้ผ้าไม่มีบริเวณ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 เอาผ้าสังฆาติเก็บไว้ในที่เช่นใดมีแต่อันตรวาสศ ก, กับอุตราสงเท่านั้นเข้าบ้านได้ตามพระพุทธอนุ ญ, ญาตพึงกำหนดเอาที่เช่นนั้นเป็นเขตจีวอนเป็นนิสสคีเพราะอยู่ปราดจากเขตล่วงราตรินั้นพึงสละแก่สงก็ได้แก่คณะก็ได้แก่บุคคลก็ได้คาเสียสละแก่บุคคลว่าดังนี้ อิดังเมพันเตจีวรังรติวิปปวุฒังอัญญตระภิกุสมัตติยานิสกิยังอิมาหั่งอายะสมัตโตนิสจามิแปลว่าจีวอนผืนนี้ของข้าพเจ้าอยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเป็นของจำจะสละยกไว้แต่ภิกษุได้สมมุติข้าพเจ้าสละดจีวอนผืนนี้แก่ท่านถ้าสองผืนว่า เทวิจีวรังถ้าทั้งสามผืดว่าติจีวรังคำคืนผ้าให้เหมือนสิกขาบทก่อนจีวรเป็นนิสกียังไม่ได้สละบริโภคต้องทุกกฎสละแล้วได้คืนมายังปรารถนาอยู่พึ่งอธิษฐานเป็นไตรจีวรใหม่สิกขาบทนี้เป็นนจิตกะแม้ไม่ตั้งใจแต่อยู่ป ร, ราดแล้วก็เป็นอาบัต อยู่ปราดไม่ถึงคืนหนึ่งปัจจุทอนเสียหรือของนั้นสูญเสียหายไปผลไปจากกรรมสิทธิ์ของภิกษุแต่รณุณยังไม่ทันขึ้นไม่เป็นอาบัตสิกขาบทที่3ว่าจีวรสำเร็จแล้วกระถิ่นอันภิกษุดอดเสียแล้วอาการจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุหวังอยู่ก็พึงรับครั้นรับแล้วพึงรีบให้ทา ถ้าผ่านั้นมีไม่พอเมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่พิกษูนั้นพึงเก็บจีวร น, นั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเพื่อจีวรที่ยังบกพร่องอยู่จะได้พอกันถ้าเธอเก็บไว้ให้ยิ่งกว่ากำหนดนั้นแม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่ก็เป็นนิสกิยะปะจิตตจีวร น, นั้นเกิดขึ้นนอกเขตจีวรละการนอกเขตอนิสงส์ินเรียกว่า อาการละจีวอนอาการละจีวอนนี้ก็อติเดกจีวอนนั่นเองแต่ถ้าภิกษุต้องการจะทำไตรจีวอนผืนใดผืนหนึ่งใช้สอยยังไม่พอเมื่อความหวังว่าจะได้จีวอนมาอีกแต่ที่ไหนๆก็ตามมีอยู่เก็บผ้าอาการจีวอนนั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างนานถ้าไม่ต้องการจะทำหรือไม่มีที่หวังข้างหน้าเช่นนี้ อายุผ้านั้นเพียงสิบวันหรือมีที่หวังอยู่แต่นานกว่าเดือนหนึ่งจึงจะได้เช่นนี้ก็เก็บไว้กว่า10วันไม่ได้เก็บอาการะจีวรไว้แล้วได้จีวรใหม่มาเติมพอจะทำได้แล้วจะพึงมีเวลาทำได้กี่วันพึงกำหนดด้วยอายุแห่งผ้าที่เก็บไว้เดิมและอายุแห่งผ้าที่ได้มาใหม่ข้างใดอายุน้อย พึงเรียบทำให้ทันอายุของข้างนั้นตัวอย่างเช่นเก็บผ้าไว้ได้10วันแล้วจึงได้ผ้าใหม่มาอย่างนี้ต้องทำตามอายุของผ้าใหม่คือ10บวันถ้าเก็บไว้ได้22วันแล้วจึงได้ผ้าใหม่มาอย่างนี้ต้องทำตามอายุของผ้าเก่าคือ8วันถ้าเก็บไม่ได้เกิน10วันแต่ยังไม่ครบเดือนหนึ่งจึงได้ผ้าใหม่มา เนื้อผิดกันมากจะไม่ทำก็ได้หรือได้ผ้าใหม่มาเมื่อจวนสิ้นกำหนดทาไม่ทันพึงอธิษฐานเป็นบริขารอย่างอื่นใช้พึงวิกับไว้หรือพึงให้แกคนอื่นเสียในวันที่ตกลงว่าจะไม่ทำผ้าล่วงกำหนดการนั้นเป็นนิสกีพึงเสียสละแก่สงแกคณะแก่บุคคลก็ได้คาเสียสละแกบุคคลว่าดังนี้ อิดังเมพันเตอาการแลจีวรังมาซาติกันตังนิสกี้ยังอิมาหั่งอายสัมมโตนิสัจจามิแปลว่าอาการจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงเดือนหนึ่งจำจัจสละข้าพเจ้าสละกจีวรผืนนี้แก่ท่านไม่สละจีวรเป็นนิสจีบริโภคเป็นทุกฏกอธิบายนอกจากนี้ พึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทที่หนึ่งสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิใช่ยาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีซึ่งจีวรเก่าเป็นนิสกิยะป จ, จิตเตอจีวรเก่านั้นได้แก่จีวรที่ใช้แล้วนุ่งแล้วก็ดีห่มแล้วก็ดีแม้เก่าเดียวในคำพีวิพังกล่าวการใช้ให้ซักให้ย้อมหรือให้ทุบ เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเป็นประโยคแห่งนิสกีใช้ให้ทำการเช่นนั้นสองอย่างหรือแม้ทั้ง3อย่างรวมกันการทำอย่างแรกเป็นประโยคแห่งนิสกีการทำอย่างหลังและอย่างและอย่างเป็นประโยคแห่งทุกกฏใช้ให้ซักผ้าปูนั่งผ้าปูนอนเป็นอาบัตทุกกฎเพราะคำในสิกขาบทมีจํากัดว่า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 ใช้ให้ซักบริการอื่นซึ่งไม่นับว่าจีบอลไม่เป็นอาบัตสิขาบทนี้ไม่ทําให้เกิดผลอย่างไรแล้วในบัทนี้ถึงอย่างนั้นอธิบายไว้มากหน่อยเพื่อผู้ศึกษาจะได้รู้จักสังเกตถ้อยคําอันบ่งให้ถือเอาความอย่างไรอันหนึ่งความมุ่งหมายของสิขาบทนี้เพื่อจะป้องกันความน่าเกลียดใช้ผู้หญิงชาวบ้านให้ทํา ปรับนิสสกีไม่ได้ดอกแต่ไม่พ้นน่าเกลียดภิกษุผู้หวังปฏิบัติชอบควรเว้นแต่การใช้เช่นนั้นเสียสิขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้ไม่ชีญาติเว้นไว้แต่ของแลกเปลีย่ยนเป็นนิสกียะปะจิตเตข้อที่เว้นของแลกเปลี่ยนนั้นให้สำเร็จสนิษฐานว่าสิขาบทนี้ทรงตั้งไว้ เพื่อจะ ก, กันไม่ให้ภิกษุรับของแห่งภิกษุณีมีลาบน้อยข้างเดียวถ้าสมควรจะรับก็ต้องให้ของแลกเปลี่ยนและของแลกเปลี่ยนนั้นท่านว่าจะยิ่งหรือหย่อนก็ได้แต่ข้าพระเจ้าเข้าใจว่าควรจะเป็นของพอสม่ำเสมอกันอาบัตในสิกขาบทนี้ต้องทั้งพระธรรมทั้งพระไม่ธรรมคือรับจีวรแต่ไม่ทำการแลกเปลี่ยน สิกขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดีต่อแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชญาตินอกจากสมัยเป็นนิสกิยาปาจิตตีนี้สมัยในคํานั้นภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดีมีจีวรชิบหายก็ดีนี้สมัยในคํานั้นคําว่ามิชญาตินั้น คือไม่ใช่คนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดีทางบิดาก็ดีตลอดเจ็ดชั่วบุรพชนกเหตุไฉนท่านจึงนับญาติเจ็ดชั่วเก菩萨เจ้าเข้าใจว่ากำหนดเอาที่อาจจะเห็นกันได้คนผู้รู้เห็นบุรพชนกของตนชั้นสูงสุดก็เพียงทวดอาจจะเห็นอนุบุตรของตนชั้นต่ําก็เพียงเหลนนับชั้นตนเป็นหนึ่ง ข้างบนสข้างล่างสารวมเป็น7คนเราจะพบญาติก็คงใน7ชั้นนี้เองยังไม่เคยมีล้ำสูงขึ้นไปหรือล้ำต่ำลงมาหากมีขึ้นยังนับว่าญาติได้อยู่นั่นเองเคยและสภัยท่านไม่นับว่าเป็นญาติสมัยที่จะขอจีวรต่อคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติได้นั้นคือภิกษุมีจีวรถูกชิงถูกลัก หรือหายเสียมีจีวรฉบหายเป็นอันตรายใช้ไม่ได้ต่อไปไม่มีสมัยเช่นนี้ภิกษุขอจีวรต่อเครืหัดชายหญิงผู้มิเชยตดเว้นไว้แต่คนปวารณาซึ่งทรงอนุญาตในสิขาบทอื่นเป็นทุกกฎในประโยคที่ขอเป็นนิสสคีด้วยได้ผ้ามาคำเสียสลาแก่บุคคลว่าดังนี้ อิดังเมพันเตจีวรังอัญญาตะกังขาหาปฏิกังอัญยตระสมัยาวิญญาปิตังนิสัิยยังอิมาหั่งอายสมมโตนิสัจจามิแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าขอแล้วต่อเจ้าเรือนผู้มิชญาินอกจากสมัยเป็นของจำจะสละข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน อาบัตนี้เป็นอจิตกะเพราะเหตุนั้นถ้าเขาไม่ใช่ญาติรู้อยู่ก็ตามแคล้งอยู่ก็ตามสำคัญว่าเป็นญาติก็ตามขอในไม่ใช่สมัยเป็นนิสกิยะปาจิติทั้งนั้นเรียกสั้นว่าติกะปาจิตติเขาเป็นญาติสำคัญว่าไม่ใช่หรือแคล้งอยู่ขอเป็นทุกกฎเขาเป็นญาติรู้อยู่ว่าเป็นญาติ ขอไม่เป็นอบัตเพราะคำในสิกขาบทว่าไม่ใช่ญาติจึงขอต่อญาติได้เพราะคำว่านอกจากสมัยจึงขอในสมัยได้เพราะมีอนุญาตในสิกขาบทอื่นจึงขอต่อผู้ประวรณาได้ในคำพีวิพังว่าขอเพื่อผู้อื่นและได้มาด้วยทรัพย์ของตนไม่เป็นอบัตขอเพื่อผู้อื่นนั้น เพิ่งเห็นเช่นขอเพื่อภิกษุผู้มีผ้าหายจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนนั้นไม่ใช่ขอต้องไม่เป็นอาบัติอยู่เอง